วันนี้เป็นวันพุทธที่31ธันวาคมพุทธศักราช2568เป็นวันสุดท้ายของปี2568คือเป็นวันสิ้นปีวันสิ้นปีนี้ก็เป็นวันที่ถ้าเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆ ก็จะมีการปิดบัญชีมีการสรุปยอดของรายรับและรายจ่ายว่าปีนี้รายรับมากกว่ารายจ่ายหรือรายจ่ายมากกว่ารายรับถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็ได้กําไรถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับก็ขาดทุนเมื่อรู้ว่ากําไรหรือขาดทุน ก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไปในปีต่อไปให้ดีขึ้นถ้าขาดทุนก็ให้ขาดทุนน้อยลงเรือไม่ขาดทุนเลยให้ได้กําไรถ้ากําไรก็ให้กําไรเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนบริษัทที่มีบัญชีบวกบัญชีลบมีรายรับรายจ่ายเหมือนกัน คือมีบุญมีบาปในใจของเราบุญนี่ก็เป็นเหมือนรายรับส่วนบาปก็เป็นเหมือนรายจ่า <c> ย <oughs> เราก็ต้องตรวจตาดูบัญชีบุญบัญชีบาปของพวกเราว่าปีนี้เราได้ทำบุญมากกว่าทำบาปหรือทำบาปมากกว่าทำบุญเพราะผล องบุญของบาปนี้จะเป็นผู้ตัดสินว่าเวลาเราตายไปเราจะไปทางไหนจะไปทางที่ดีที่เรียกว่าสุขคติหรือจะไปทางที่ไม่ดีที่เรียกว่าทุกขติพอร่างกายนี้ตายไปแล้วบุญกับบาปนี้จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับดวงวิญญาณของพวกเรา พวกเรานี้ไม่สามารถที่จะทำไรอะได้เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วถ้าบัญชีบาปมากกว่า บ, บัญชีบุญบาปก็จะดึงให้ดวงวิญญาณไปสู่ทุกขติไปสู่อาบายสี่ที่ด้วยกันคือเดรัจฉานเปรตอสุลกายและนรกถ้าบาปถ้าบถ้าบุญมีมากกว่า บ, บาป บุญก็จะดึงดวงวิญญาณให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่สุคติมีตั้งแต่สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นพระนิพพานนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้วตอนนั้นเราปรับบัญชีไม่ได้แก้บัญชีไม่ได้เราจะแก้บัญชีหรือปรับบัญชีได้ก็ในตอนนี้ ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เราสามารถปรับบัญชีถ้าตอนนี้บาปมากกว่าบุญเราก็สามารถปรับให้บุญมากกว่าบาปได้ mm hmm. ถ้าเรามีบุญมากกว่าบาปอยู่แล้วเราต้องการให้มีบุญมากขึ้นไปเราก็สามารถทำได้ mm hmm. เราสามารถทำได้ในขณะที่เรามีร่างกาย mm hmm. ถ้าไม่มีร่างกายแล้ว ใจนี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปดังนั้นเราควรที่จะสังเกตดูว่าปีปีที่ผ่านมานี้เราได้ทำบุญมากกว่าทำบาปหรือเปล่าหรือทำบาปมากกว่าทำบุญวิธีที่ดูว่าเรามีบุญมากกว่าบาหรือบาปมากกว่าบุญก็ดูที่ความรู้สึกของใจว่าเรามีสุขทุกอย่างไรมากกว่ากัน ถ้าเรามีความสุขใจมากกว่ามีความทุก <consol> ข <ation> <único> hmm? ์ใจก็แสดงว่าบัญชีบุญของเรานี้มีมากกว่าบัญชีบาปถ้าเรามีความทุกข์ใจมากกว่ามีความสุขใจก็แสดงว่าบัญชีบาปของเรานี้มีมากกว่าบัญชีบุญแต่ตอนนี้เรายังแก้ไขได้ถ้าเราไม่อยากจะไปอบายถ้าเกิดเราคิดว่าเรา เราทำบาปมากกว่าทำบุญใจของเรามีบาปมากกว่ามีบุญเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ปรับให้เปลี่ยนให้มีบุญมากกว่ามีบาปได้ด้วยการกระทำของเราที่พระพุทธเจ้าได้สรงสั่งสอนถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนมาบอกพวกเราเรื่องบุญเรื่องบาปเราจะไม่รู้เรื่องราวของดวงวิญญาณของพวกเรา ว่าเวลาที่เราตายไปแล้วนั้นเราจะไปที่ไหนกันแต่ถ้าเรามีพระพุทธศาสนานี้ท่านจะสอนการกระทําของเราแต่และการกระทํานี้มีผลอย่างไรต่อดวงวิญญาณของพวกเราเช่นการทําบาปนี้ก็มีผลต่อดวงวิญญาณเราคือถ้าบาปนี้ตอนที่เราตายมีมากกว่าบุญ บาปจะเป็นผู้ส่งผลดึงดวงวิญญาณให้ไปเกิดในอบายซึ่งในอบายนี้ก็มีอยู่สี่ที่ด้วยกันที่แรกเรียกว่าเดรัฉานที่สองเรียกว่าเปรตที่สามเรียกว่าสุลกายที่สี่เรียกว่านรกนี่คืออบายหรือทุกขติเป็นที่ที่มีความทุกข์มากกว่าความสุข ถ้าใจเราในขณะมีชีวิตอยู่มีความทุกข์มากกว่ามีความสุขมันก็บ่งบอกให้เรารู้ว่าต่อไปดวงวิญญาณของเรานี้จะต้องไปไปอบายอย่างแน่นอนแต่เราสามารถเปลี่ยนได้ปรับได้ในตอนที่เรามีชีวิตอยู่โดยการระ ง, งับการกระทําที่เป็นเหตุที่จะพาให้เราไปเกิดในอบายกันหรือทําให้น้อยลงไป ตามความสามารถของเราเพราะพระพุทธศาสนานจะสอนว่าจะบอกว่าการทําบาปต่างๆนี้มีผลต่อ ด, ดวงวิญญาณของเราอย่างไรจะส่งให้ดวงวิญญาณของเราไปเกิดในรูปแบบไหนถ้าเราทําบาปบาปก็คือการฆ่าสัตว์การรักทรัพย์การประพฤติผิดในการการพูดปดการดื่มของมูนเมาต่างๆ การกระทําเหล่านี้ถ้าทําด้วยความหลงคือไม่รู้ว่าเป็นบาปตายไปก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทําบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆเช่นอยากล่ำอยากเวยก็ไปขโมยของของคนอื่นมาขโมยทรัพย์ไปช่อโกงไปลักทรัพย์ของผู้อื่นมา ทำเพื่อให้ตัวเองได้ร่ำรวยอย่างนี้เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะเป็นจะเป็นเปรตถ้าทําบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกเขาทําร้ายเราเราอะไรไปทําร้ายเขาก่อนเช่นเห็นสัตว์พวกงูล้อยคานอะไรเป็นต้นแล้ว เ, วเจอก็ฆ่าเขาเลยอย่างนี้ฆ่าด้วยความกลัวทําบาปด้วยความกลัว ตายไปก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าสุรกายแล้วถ้าทำบาปด้ยวยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมไม่ให้อภัยใครทำอะไรให้เราไม่พอใจเราต้องล้างแค้นอย่างนี้ก็จะไปนรกนี่คือเหตุที่จะพาให้จิตใจของเรานี้ไปสู่ทุกขติ ที่มีอยู่สีที่เรียกว่าบายอบายสีที่ด้วยกันเนระชานเปรตอสุลกายและนรกถ้าเราไม่อยากจะให้ดวงวิญญาณเราไปอยู่ในที่เหล่านี้เราก็เพียงแต่รักษาสี่ทาให้ได้เท่านั้นเองอย่าฆ่าสัตว์อย่ารักทรัพย์อย่าประพฤติผิดในกามอย่าพูดโอดอย่าดื่มของมึนเมาต่างๆ แล้วเราก็จะปลอดภัยจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้ในขณะนี้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าเราคิดว่าเราได้ทำบาปม า, มากกว่าทำบุญจิตใจของเรามีความทุกข์มากกว่ามีความสุขเราก็รับเราก็ปรับได้ถ้าเราสามารถรักษาศี่ห้าได้ต่อไป ความทุกข์ก็จะน้อยลงไปบาปที่เราทำก็จะไม่ลดหายไปแต่เราจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้บุญนี้มีมากกว่าบาปไปพอบาปพอบุญมีมากกว่าบาบุญก็จะส่งผลให้กับเราบุญก็คือจะทำให้จิตใจเรามีความสุขทำให้เรามีความสบายล่าเริงเบิกบานแจ่มใสไม่ทุกข์ไม่เครียด ไม่หวาดวิตกกังวลกับเรื่องราวต่างๆดังนั้นถ้าเราอยากที่จะปรับบัญชีของเราให้เป็นบวกเราก็ต้องทำทั้งสองอย่างคือลดการกระทำบาปหรือทำให้น้อยลงแล้วเพิ่มการกระทำบุญให้ให้เพิ่มให้มีมากขึ้นการกระทำบุญนี้ทำอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นการกระทำบุญ การกระทำบุญคือการกระทำที่ทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้และไม่เกิดโทษกับตัวเราเช่น mm hmm. เราทำบุญทําทานให้ข้าวให้ของสิ่งของกับบุคคลต่างๆไม่ว่าจะให้กับวัดก็ได้ให้กับพระก็ได้ให้กับผู้คลองเรือนคือคนที่ไม่ใช่เป็นนักบวชก็ได้ให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆก็ได้ ให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลก็ได้ให้กับสัตว์เดรัจฉานก็ได้ให้คุณให้ความสุขให้ประโยชน์กับผู้ทำให้เขามีความสุขทำให้เขาได้รับประโยชน์จากการกระทาของเราเรียกว่าเป็นการทำบุญทำความดีพอเราให้ความสุขกับผู้แล้วความสุขมันก็จะกลับมาหาเราใจเราจะเกอดความสุขใจอิ่มใจ ล่าเริงเบิกบานขึ้นมาจากการได้เราจากการที่เราได้ทำบุญนี่คือวิธีที่เราจะเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนการไปเกิดในในภพหน้าชาติหน้าถ้าตอนนี้เราทำบาปมากกว่าทำบุญบาปจะดึงเราไปเกิดในอบายแต่ถ้าเรามาลดการทำบาปให้น้อยลงแล้วเพิ่มการทำบุญให้มากขึ้น ต่อไปบุญที่เราทำนี้ก็จะมีมากกว่าบาปแล้วบุญเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปบุญก็จะได้พาเราไปเกิดถ้าเราทำบุญด้วยการให้ให้ทานให้ความสุขกับผู้อื่นให้ช่วยเหลือผู้อื่นเราก็เรียกว่าเป็นการทำทานเป็นการให้เมื่อเราได้ทำการให้แล้วผล่ก็คือเราจะได้สุขสติ คือเราจะได้ไปเกิดในสวรรค์ที่มีอยู่6ชั้นด้วยกันเรียกว่าเป็นสวรรค์ของเทวดาเป็นสวรรค์ชั้นของเทวดาเวลาตายไปร่างกายตายไปถ้าบุญที่เราทำนี้มีมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ที่แบ่งไว้เป็น6ชั้นก็อยู่ที่บุญแลวที่เราทำนั้นมากหรือน้อยนั่นเองถ้าทำบุญน้อยก็ไปชั้นต่ามีความสุขน้อยกว่าชั้นสูง ถ้าทำบุญมากก็จะไปชั้นสูงก็จะมีความสุขมากกว่าชั้นต่ำมีแบ่งสวรรค์ไว้เป็นหกชั้นด้วยกันสวรรค์ชั้นเทพที่เราจะสามารถจองตั๋วไปในขณะนี้ได้เหมือนกับการเดินทางก่อนที่เราจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ต้องจองตั๋วไว้ก่อนจองโรงแรมจองที่พักเตรียมการไว้พร้อมจองเงิน เตรียมเงินทองไว้สาหรับเอาไปจับจ่ายใช้ใจ่ายฉันใดเวลาที่เราตายไปถ้าเราอยากให้ดวงวิญญาณเราไปเที่ยวในสวรรค์เราก็ต้องเตรียมที่ไปจองที่พักไว้ก่อนเตรียมเงินเตรียมเงินที่เราจะเอาไปใช้บุญที่เราทำนี่แหละจะเป็นเงินเป็นเงินทิปที่เราสามารถเราติดตัวไปได้เอาไปใช้ในสวรรค์ชั้นต่างๆได้ ไปจ่ายค่าที่พักจ่ายค่าอาหารจ่ายค่าท่องเที่ยวจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราก็จะไปไม่ได้แล้วถ้าเราทำบาปเราก็ต้องไปรับโทษในอบายอันนี้คือสวรรค์ชั้นเทพเป็นสวรรค์ชั้นที่ยังมียังมีสวรรค์ที่สูงกว่าชั้นเทพเอกีกสูงกว่าชั้นเทพก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นพรหม มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ชั้นเทพนี้เราต้องทำอะไรบ้างเราก็ต้องอเพิ่มการรักษาศีลจากการรักษาศีลห้าเราก็ต้องเพิ่มเป็นศีลแปดเพราะเท mm. เพราะการจะเป็นพรหมนี้จะไม่หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะคือสวรรค์ชั้นพรหมนี้ละเอียดกว่าสงบกว่า สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นเทพนี่เป็นสวรรค์ชั้นกามาพบส่วนสวรรค์ชั้นชั้นพรมนี้เป็นสวรรค์ชั้นรูปประพบอารูปประพบก็รูปประพบก็คือเป็นสวรรค์ของผู้ที่ได้สําเร็จรูปประชานขั้นต่างๆสวรรค์ชั้นอารูปประพบก็คือเป็นสวรรค์สําหรับผู้ได้สําเร็จอรูปประชานชั้นต่างๆ รูปฌานก็มีอยู่สี่ชั้นอรูปฌานก็มีอยู่สี่ชั้นด้วยกันการที่จะเข้าสู่รูปฌปานได้ก็ต้องมีการรักษาศีนแปก่อน mm hmm. ละงับการหาความสุขจากการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นร mm hmm. สเช่นศีนข้อสามก็เปลี่ยนเป็นอ布拉 ม, มจาริยา mm hmm. ความประพุทธแบบพรมจันคือไม่ประพฤติไม่ไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่เสดสุขกับใคร แล้วก็งดการรับประทานอาหารมากจนเกินไปไม่ให้รับประทานอาหารตามความอยากรับประทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุดก็พอไม่กินตามความอยากกินตามความอยากนี่เป็นการเสพกามเป็นการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสของอาหารถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นพรมก็ต้องเลิกเสพกามไม่เสพความสุขจากการรับประทานอาหาร แต่รับประทานอาหารเหมือนกับรับประทานยาเพราะน่างกายนี้จําเป็นจะต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงถึงจะอยู่ได้ก็เหมือนกับเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเรากินยาเราก็ไม่ได้กินเพื่อเสพความสุขจากการกินยาเพราะยามันไม่มีรสชาติอะไรที่น่ากินที่ทําให้เรามีความสุขแต่เราก็ต้องกินยาเพราะเพื่อที่จะได้เอาไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บ อันใดอาหารนี่ก็กินได้สองลักษณะกินแบบเป็นยาก็ได้กินแบบเป็นของตอบสนองตันหาความอยากก็ได้ถ้าเราอยากที่จะไปสวรรค์ชั้นพรหมนี้เราต้องไม่กินตามความอยากไม่กินเพื่อให้เกิดความสุขกินเพื่อดับความทุกข์คือดับความหิวของร่างกายเหมือนกับเป็นการรักษาพยาบาลร่างกายก็ไม่ต้องกินมากจนเกินไป กินไม่เกินเที่ยงวันก็พอมื้อสองมือ้อหรือบางท่านก็อาจจะสามารถกินมื้อเดียวเลยก็ได้การกินมื้อเดียวนี้ก็จะมีคุณมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติจิตาภาวนาที่จะทําให้จิตเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้การรักษาศีลนี้ยังไม่สามารถส่งให้เข้าสู่สวรรค์ชั้นชั้นพรหมได้เพียงแต่เป็นการสนับสนุน การปฏิบัติให้มีเวลาปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าเราไม่ถือศีลแปดเรายัางไปเสพกางได้อยู่เรายัางไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้อยู่เรายัางไปกินอาหารตามความต้องการของเราได้อยู่กินกี่มื้อก็ได้กินกี่ครั้งก็ได้เรายัางสามารถไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงได้อยู่แต่ถ้ามาถือศีลแปแล้วเราก็ต้องระ ง, งับกิจกรรมเหล่านี้ นอกจากไม่กินอาหารก็เลยเชี่ยงวันไปแล้วก็ยังไม่ดูหนังฟังเพลงไม่เสพสุขจากหมอรศบันเทิงต่างๆแล้วก็ไม่เสพสุขด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากแต่งร่างกายให้ดูสวยงามอันนี้เป็นกิจกรรมทางการทางรูปเสียงกลิน่นที่จะไม่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้ ต้องออกจากสวรรค์ชั้นเทพก่อนออกจากการเสดกรรมก่อนถึงจะสามารถเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้พอเราละงับการเสด็จกรรมแล้ว เ, เราก็จะมีเวลาให้กับการมาจเจริญจิตตภาวนาที่เป็นตัวที่จะดึงจิตใจให้เข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมต่อไปคือนั่งสมาธิทาจิตใจให้สงบให้เข้ า, ใ ห, ขาให้เข้าสู่ฌานชั้นต่างๆ ถ้าเราสามารถนั่งสมาธิทำใจให้เย็นให้สงบเข้าสู่ชั้นชั้นต่างๆได้เราก็จะเข้าไปเสพความสุขของสวรรค์ชั้นพรหมได้ความสงบนี้เป็นความสุขของพรหมเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลถ้าพะชนิดต่างๆเป็นสวรรค์ที่สูงกว่ามีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพ มีสองระดับด้วยกันระดับรูปประชานกับอรูปประชานถ้าได้รูปประชานก็จะได้สวรรค์ชั้นรูปประพมถ้าได้อรูปประชานก็จะได้สวรรค์ชั้นอรูปประพมที่มีความละเอียดมีความสุขเหนือกว่าสวรรค์ชั้นรูปประชานอันนี้คือสุกติชั้นที่สองที่เราสามารถไปกันได้ด้วยการปฏิบัติในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในตอนนี้ มาถึงศิ้นแปดกันอย่างญาติโยมที่มาอยู่วัดส่วนใหญ่ก็จะมาถึงศิ้นแปดมาเจริญเนคขมมะเนคขมมะก็แปลว่าการงงาระงับการเสดความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วเอาเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทําจิตใจให้สงบให้เข้าสู่ฌานขั้นต่าง ๆ, ๆพอจิตได้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆจิตก็จะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้เวลาตายไป จิตก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมดวงวิญญาณก็จะถูกกำลังของชานนี้ดึงไปให้อยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วยังมีสวรรค์ที่เหนือกว่าสวรรค์ชั้นพรหมอีกชั้นหนึ่งคือสวรรค์ของพระอริยบุคคลและนิพพานอันนี้เป็นสวรรค์ที่ที่เหนือกว่าสวรรค์ชั้นพรหมเพราะว่าเป็นสวรรค์ที่ยั่งยืนถาวรไม่มีวันเสื่อมสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นเทพนี้ยังยังมีวันเสื่อมได้อยู่ เช่นถ้าเราเราตายไปเราไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมก็จะอยู่ได้ระยะเวลาหนึ่งพอกำลังของฌานหรือสมาธิเสื่อมลงหมดลงเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาปฏิบัติเข้าถเข้าเข้าฌานใหม่มาถือศีลแปเข้าฌานใหม่คือเราจะกลับมาบวชเราจะกลับมาเป็นมนุษย์แต่จะไปเป็นนักบวชกัน พอเราได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากการเป็นนักบวชนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสด็จการมด้วยการทําบุญทําทานต่างๆเช่นเดียวกับสวรรค์ชั้นเทพบุญที่ส่งให้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพพอเสื่อมลงหมดลงดวงวิญญาณก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมาทําบุญทําทานมารักษาศินใหม่ก็จะมีการขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าอยากจะเส้นสุดการเวนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับให้ไปให้ไปสู่สวรรค์ชั้นนิพพานโดยที่ไม่ต้องกลับมามก็จําเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติอีกระดับหนึ่งอีกข้อหนึ่ง<ม>คือข้อปัญญาหรือวิวปัสสนาภาวนา<ม>ตอนที่เราเข้าสวรรค์ชั้นพรหมนี้เราทําสมถะภาวนาคือทําสมาธิทําจิตใจให้นิ่งให้สงบแต่ความสงบนี้ของสมาธินี้เป็นความสงบแบบชั่วคราว ไม่สงบอย่างถาวรอยู่ได้อยู่ในสมาธิได้สักพักหนึ่งก็ต้องถอนออกมาพอถอนออกมากิเลสตัณหาตัวที่พาให้เราไปลาเวียนว่ายตายเกิดนี้มันก็จะฟื้นขึ้นมาตอนที่เข้าสมาธิกิเลสตัณหามันก็จะถูกมันก็ถูกดมยาสลบถูกกดเอาไว้ไม่สามารถออกมาสร้างไม่สามารถมาดึงจิต ด, ดึงใจเราให้ไปเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่พอเราออกจากสมาธิมากิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆมันก็จะออกมามาชวนใจให้เราไปหาสิ่งนู้นหาสิ่งนี้แล้วถ้าเกิดเวลาตายไปก็จะถูกกิเลสตัณหานี้ดึงให้ดวงวิญญาณนี้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อที่จะได้มาหาสิ่งที่กิเลสตัณหาต้องการคือมาห า, าลาภยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเอง mm. ถ้าเราไม่อยากจะให้ กิเลสตัณหานี้ดึงจิตใจของเราให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่เราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่ากิเลสตัณหานี้เป็นตัวอันตรายเป็นตัวที่จะพาให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเราต้องหยุดมันให้ได้การที่จะหยุดมันได้เราต้องเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นทุกข์การได้กลับมาเกิดนี้ เกิดแล้วก็ต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายเจอกับเขาเจอกับเรื่องราวต่างๆไม่รู้จักจบจากสิ้นเราให้เกิดมารวยขนาดไหนร่ำรวยขนาดไหนใ ห, ใหญ่โตขนาดไหนก็ตามก็ยังจะต้องมาเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพัาดพลาดจากของที่เราลักเราชอบสู้การไม่กลับมาเกิดดีกว่าสู้ไปอยู่ที่นิพพานดีกว่า การที่จิตจะเข้านิพพานได้ก็ต้องมีปัญญามีวิปัสสนาเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับห้ามมันได้พอมาเกิดแล้วเราไปห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้พอเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมา ดังนั้นเวลาที่เราออกจากสมาธิมา เ, าเกิดกิเลสตัณหาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็สอนใจว่าอย่าไปทําตามนะสิ่งที่เราอยากได้นี่มันจะทำให้เราจะต้องกลับม า, บรราเวียนว่ายตายเกิดหามันหามันใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าเราชอบรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะต้องกลับมาหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆถ้าเราชอบลาบยศสรรเสริญเราก็จะต้องกลับมาหาลาบยศสรรเสริญอยู่เรื่อยๆ แล้วถ้าถึงแม้ถ้าเราชอบฌานชอบสมาธิมันก็ต้องพาให้เรากลับมาเกิดมาเข้าฌานเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆให้เราตัดความอยากความชอบเหล่านี้ไปให้หมดไปจากใจเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของชั่วคราวเวลาได้มันก็ให้ความสุขกับเราเวลามันเสื่อมมันก็จะให้ความทุกข์กับเรานี่คือปัญญาปัญญาคือต้องเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลักเราชอบที่เราอยากได้ ว่าเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้ามีปัญญาเห็นอ น, นิจจังมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่ทำตามความอยากอีกต่อไปความอยากต่างๆที่เคยหลอกให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะหมดกำลังลง ม, มันก็จะไม่สามารถหลอกให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เราก็จะอยู่ที่ดวงวิญญาณของเราเวลาตายไปก็จะอยู่ที่นิพพานนิพพานเป็นที่มีแต่มีความสุขที่สูงสุดความสุขสูงกว่ามากกว่าความสุขของสวรรค์ชั้นพรมของสวรรค์ชั้นเทพและเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดจิตใจหรดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี้ไม่ได้หายไปไหนจิตใจของท่านอยู่สวรรค์ชั้นนิพพานกันในตอนนี้ท่านไม่ต้องกลับมา มาเกิดมามีร่างกายเพื่อมาหาความสุขต่างๆอย่างเหมือนเหมือนอย่างพวกเราพวกเราอย่างหลงยังถูกความอยากความโลภหลอกให้เราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆอยู่พออยากแล้วพอพอพ อ, พอได้แล้วมันก็ติดมันก็เป็นหือนยาเสร็จติดพอไม่มีก็ต้องคอยหาใหม่อยู่เรื่อยพอร่างกายนี้ตายไปสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ก็จะหมดไป แต่ความอยากที่จะได้สิ่งต่างๆที่เราสูญเสียไปมันก็จะยังจะมีอยู่มันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้ดวงวิญญาณของเรากลับมาเกิดใหม่หลังจากที่เราไปรับผลบุญผลบาปก่อนเวลาเราตายไปนี้บุญกับบาปนี้จะเป็นผู้ดึงใจดวงวิญญาณของเราให้ไปรับผลบุญผลบาปก่อนพอรับผลบุญผลบาปเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะความอยากนี้จะเป็นตัวดึงให้กลับมาเกิดใหม่นั่นเอง แต่ถ้าเราคำจัดความอยากได้เวลาเราตายไปนี่เราก็ดวงวิญญาณก็จะไม่ต้องถูกถูกอำนาจของบุญหรือบาปดึงไปไม่ถูกอำนาจของกิเลสตัณหาความโลภความอยากดึงไปเพราะดวงวิญญาณของเรามีมีศีลสมาธิปัญญาที่มีกำลังสูงกว่าอำนาจของบุญของบาปสูงกว่ามีอำนาจมากกว่ากำลังของกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวง ใจของเราก็จะอยู่ที่นิพพานไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับดวงจิต ด, ดวงใจของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็าตามเมื่อจิตใจของเราทําบุญหรือทําบาปแล้วเมื่อถึงเวลาเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วบุญและบาปนี้ก็จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับดวงวิญ ญ, ญาณของเราให้ไปสู่สุคติหรือไปสู่ทุคติแล้วหลังจากที่ได้ไปใช้บุญใช้บาปแล้ว ท่านต่อไปก็จะถูกกิเลสตันหาความโลภความอยากดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่เพื่อให้เราได้มาหาสิ่งต่างๆที่มีอในโลกนี้ที่พวกเรากําลังหากันอยู่ในขณะ น, นี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเราต้องหยุดการแสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หยุดการแสวงหาราบยศสรรเสริญหยุดการแสวงหารูปเสียงกลกิ่นรสโผฏฐัพพะและในที่สุดก็ต้องหยุด การแสวงหาความสุขจากการเข้าฌานเข้าสมาธิด้วยถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็จะตัดความโลภความอยากได้หมดไปจากใจแล้วใจของเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวยียนว่ายตายเกิดติดต่อไปนี่คือสิ่งที่เราควรจะทำกันในวันสิ้นปีให้เรามาทบทวนดูจิตใจของเราว่าตอนนี้อยู่ในสภาพไหนเราต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไรพวกเราโชคดีที่ได้มาเกิดในยุคมีพระพุทธศาสนา เพราะถ้าเราไม่มีศาสนานี้เราจะไม่รู้วิธีปรับปรุงจิตใจของเราให้ไปสู่สุขคติให้ไปสู่นิพพานได้เลยแต่ตอนนี้เรามีแล้วเราก็ควรจะรีบเร่งศึกษาและนำแระพยายามปฏิบัติตามให้ได้แล้วผลที่เป็นคุณเป็นประโยชน์คือตั้งแต่สุขคติก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกกตินี้ก็จะหมดไปจากใจเราไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันอีกไม่ต้องไปเกิดนาบายกันอีกต่อไป ถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จะเกิดในสุคติเกิดในสวรรค์ชั้นเทพบ้างสวรรค์ชั้นพรหมบ้างแล้วถ้าไปถึงสวรรค์ชั้นนิพพานได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ในวันสิ้นปีก็พอสมควรแก่เวลาเพราะว่าต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันมาสร้างสวรรค์ชั้นพรหมโดยการเจริญสติควบคุมจิตใจให้นิ่งให้สงบ ถ้าใจเรานิ่งให้สงบใจของเราก็จะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้การที่จะทําให้ใจของเรานิ่งนี้เราจําเป็นจะต้องมีสติควบคุมใจสติคือการระลึกรู้เราต้องมีสติระลึกรู้ผูกใจไว้กับกรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะก่อให้ใจเราเข้าครอบสู่การสงบให้หยุดคิดกรรมฐานนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันแต่ที่เราใช้กันทั่วไปก็คือการเจริญ พุทธานุสติคือการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอาณาปณะสตินี่คือกรรมฐานส่วนสติก็คือการระลึกรู้เราต้องเอาใจนี้มาระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยเหมือนเหมือนที่เราทําอยู่ในในขณะนี้ถ้าเราปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยไม่มีอะไรมายับยั้งใจจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ ไม่สามารถเข้าสู่สมาธิไม่สามารถเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้จะเข้าได้ต้องมีสติคอยกากับใจคอยผูกใจไว้ให้อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดอะไรในขณะที่นั่งสมาธิถ้าเวลานั่งแล้วเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอรู้ตัวก็ดึงกลับมากลับมาอยู่ที่กรรมฐานหรือถ้านั่งแล้วมีอะไรมาฉุดใจไปมีเสียงมาดึงไปก็ดึง ก็ต้องกลับมาที่กรรมฐ า, านมีรูปมีภาพมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็ อ, อย่าไปสนใจอย่าตามรู้ให้กลับมาที่กรรมฐ า, านถ้าอยากจะให้ใจนิ่งให้สงบการนั่งสมาธินี้เราไม่ต้องการดูอะไรไม่ต้องการเห็นอะไรเพราะการดูการเห็นอะไรไม่เกิดประโยชน์กับจิตใจไม่ได้ให้ความสุขกับจิตใจเหมือนกับการทําใจให้นิ่งให้สงบ<อ>เพราะว่าความสุขที่เราได้จากความนิ่งความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ทุนย่อยของความสุขก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เราต้องการความสุขอย่างนี้เพราะถ้าเรามีความสุขในใจแล้วเราก็จะปล่อยปล่อยวางได้ตัดกิเลสได้ไม่อยากได้อะไรเพราะเรามีความสุขในใจของเรามีความอิ่มมีความพอถ้าเรายังไม่มีความสุขในใจเราก็ต้องไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลินรสหาท่าไรก็ไม่อิ่มไม่พอ เราหาไม่ได้ก็จะเกิดความเศร้าใจเสียใจเวลาเกิดสูญเสียสิ่งที่เราหามาได้เราก็จะทุกข์ใจสู้หาความสงบไม่ได้ความสงบนี้ถ้าเราหาได้แล้วเราก็สามารถหาได้ไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดไม่มีใครสามารถมาเอามาแย่งเอาความสงบของใจเราไปได้นีนะ่คือเป้าหมายของการมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิแล้วจะได้สวรรค์ชั้นพรหมในเบื้องต้นก่อน แล้วหลังจากนั้นถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ชั้นนิพพานเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็ใช้ปัญญาคอยคอยกำจัดคอยหยุดความอยากต่างๆโดยให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นั้นล้วนเป็นทุกข์เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้อันนั้นเป็นขั้นต่อไปแต่ตอนนี้เราจะมาทําใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิให้ได้ก่อน mm hmm. ด้วยการมีสติแ ล, แล้วรู้อยู่กรรมฐาน เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดูลมได้ก็ดูลมไปพุโทโธได้ก็พุโทโธไปบางท่านจะใช้พุโทโธกำกับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้ถ้ายังพุโทโธไม่ได้ยังดูลมไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมาไปจนรู้สึกว่ามีสติมีกําลังพอมีความสงบพอที่จะดูลมหรือพุโทโธได้ก็ค่อยเปลี่ยนมาดูลมหรือพุโทโธต่อไป ข้อสำคัญก็คืออย่าทิ้งกรรมฐานในขณะที่เราอยู่เรานั่งสมาธิให้ผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานให้มีสติเราเลิกรู้อยู่อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันอีกประมาณยีบห้านาทีด้วยกันตอนนี้เวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้ว ก่อนที่จะเลิกก็ให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจําวิธีนั่งของวันนี้ไว้คราวหน้าเวลามานั่งใหม่ก็ใช้วิธีนี้ต่อไปได้เลยแล้วจิตก็จะสงบเหมือนวันนี้แต่ย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบมันจะไม่สงบต้องจดจําวิธีนั่งของวันนี้ไว้ให้ดีถ้านั่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีน้อย ต้องพยายามเจริญสติให้มากก่อนที่จะมานั่งเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันเลยลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปทําอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีสติมากขึ้น mm. เวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นได้งานขึ้นเาต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิตทินังเปตานังอุปกปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะถามลิโชติ ภราสุยทัสสะพิติโยวิวาชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวะตวันตารโยสุขิติคายุกโคปาวะอภิวัตนาสีฤทษานิจามุทธาปจายโนจตารุธรรมาวทันติอายุวันุสุขัง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 กราบเรียนครับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ223ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ258ท่านทาง y YouTube ดรวี48ท่านทางวิทยุออนไลน์5ท่านทาง c l ับ h ฮ u s e 10ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ241ท่านรวมทั้งหมด785ท่านครับ Okay, e t a So, hi. chat, c h a You want to ask question? Oh, yeah. Oh, uh, thank you, Ajah, so chat. I have a question. Um, so I read in the book. Uh, it says that the when we meditate, we need to notice that the breath is at the tip of our nose, or uh, is located in the middle of the chest. Um, so I. I can when I meditate, I can I feel the breath in my at the tip of my nose, and also in the middle of my chest. So which one should I follow? Which is more obvious to you, more easy to watch? h uh, I think in the middle of the chest. Okay, just watch the chest. Oh. But don't don't change, don't move around. Just focus on one one spot only, and stay at that one spot until your mind becomes calm. If you keep moving back and forth, it won't get calm. Mm. So decide which one you like and then stick to it. Okay. Then I just keep sticking to it. Uh, try both. Mm. This this session you try the chest. The next session you try the the tip of the nose. See which one works better. Okay. But the the important thing is mindfulness. You have to be constantly mindful of what you're doing, of what you're You're watching. If you're watching the the breast, the chest, try to stay with the chest all the time. Don't go thinking about other thing. Mm. Mm. Okay. And your mind will gradually become calmer and calmer and happier. Mm. Okay. Anything yeah. else? Ah, uh, that's all. Yeah. Okay. We have a gentleman Thank in the back. t h a n you, a h n e h i m the microphone. Yeah. Thank you. Thank you for your time. First, I have a question. Um, I never have meditation before, and I would love to know how to try, how to start. Please. See, the goal of meditation is to calm your mind, to make your mind peaceful and happy. And the way to make it peaceful and happy is you have to stop thinking. And the way to stop thinking is to focus your mind on something, so you're not able to think about other things. And we have objects that we use for focus or concentration. You can use a mantra if you like, reciting the name of the Buddha, b u t t o b b u t t o b b u t t o Or you can watch your your breath at the tip of your nose. Just watch and don't go think about other thing. It might takes a while before you start to realize the the calm that comes. But at the start, you might going running back and forth. Between watching and thinking about some other thing, so you have to try to bring your mind to to watch or recite the mantra. Don't think about somebody, don't think about places and anything like that. Just if you use mantra, just think of the mantra only. Butto butto butto mentally reciting in in your mind without having to say it verbally. Bhuto, bhuto, bhuto. Yeah. Oh, if you don't like mantra, you can watch your breath at the tip of your nose, where the where the air comes in and goes out. Don't for you don't have to force your breathing. Just leave it natural. Just watch. u s e use the the breath as a an anchor, something to tie your mind away from your thoughts. And that's all you have to do. The the hard part is doing it. The easy part is the theory. Because when you start to doing it, you might start to go think about this and that. It won't it won't stay with your breath. But you have to be patient and bring it back to the breath again and again and again. Okay, okay? try it. I try. Thank you very thank to, you very much. If you want to be more successful in your meditation, mm -hmm. you have to practice mindfulness before you you meditate. Okay. You have to be mindful of your body action. Keep watching your body. What what you are, what are you doing right now? If you are eating, just watch eating. If you are brushing your teeth, just watching. Just keep watch your your brushing of the teeth. Don't go think about other thing at the same time. Just keep watching your body. Okay. Then you will have mindfulness. Then when you sit, you can then watch your breath or recite the mantra. Okay. Thank you very much for your time. Thank mm -hmm. you. The goal is to be peace, to be calm and peaceful and happy. Okay. Thank you very. Thank you very much for your time. Thank you. i t a l t a b l Questions. มีใครอยากจะถามอีกไหมตอนนี้มีโอเคเอาตังเฉกว่ามีคำถามฝากถามจากผู้รับฟังธรรมนาคุิเจ้าค่ะมีถามคถามที่หนึ่ง การสร้างพระพุทธรูปมีอานิสงส์เสริมให้จิตหลุดพ้นด้วยไหมครับว่าเป็นการทําทานเป็นขั้นบันได <c oughs> ขั้นแรกเขาทาทานต่อไปก็รักษาศีลแล้วก็ไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมถึงจะหลุดพ้นได้เหมือนเรียนหนังสือการทําทานก็เหมือนเข้าชั้นอนุบาลแล้วหลังพอรักษาศีลก็เข้าชั้นชั้นปฐมชั้นมัธยมแล้วพอเข้ามาหาลัยก็ภาวนา ปฏิบัติธรรมถึงจะได้ปิญญาคือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไปเจ้าค่ะคำถามข้อที่สองกรรมฐานสายต่างๆที่มีรูปแบบปฏิบัติต่างกันในรายละเอียดเช่นคำบริกรรมการใช้นิมิตต่างๆส่งผลถึงการหลุดพ้นเช้าหรือเร็วไหมครับไม่หรอกมันเป็นวิธีการที่แตกต่างกันแต่ได้ผลคือความสงบเหมือนกันเป็นเหมือนอาหารชนิดต่างๆ ที่ไม่เหมือนกันแต่จินเข้าไปแล้วก็ทำให้ร่างกายอิ่มเหมือนกันนั้นกรรมฐานก็เป็นเหมือนอาหารสามารถเลือกได้เลือกกรรมฐานที่เหมาะกับเราได้ใช่ค่ะคำถามจาก Youtube ่ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับคนเราสามารถเข้าสู่ระดับพระอริยะโดยผ่านระดับเทพและไม่ต้องผ่านระดับการเป็นพรมได้หรือไม่ครับกราบขอบพระคุณมากครับ ไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องอาศัยกำลังของพรหมก่อนถึงจะเข้าสู่ท่านอริยะได้เจ้าคะคำถามจากเฟซบุ o กเจ้าคะการที่ลูกมาหลอกขอธุรกิจพ่อแม่ไปทาแล้วบอกว่าทุกอย่างยังเป็นของพ่อแม่ลูกต้องการมาช่วยให้พ่อแม่ไม่เหนื่อยไม่ให้เหนื่อยแต่กลับเป็น ตรงกันข้ามทุกอย่างที่ตกลงกันไว้เป็นลักษณะอย่างนี้บาปไปตกตรงไหนเจ้าคะเงินที่ตอบแทนพ่อแม่กลายเป็นภาระลูกไปค่ะไม่เข้าใจคำถามนะว่าถามยังไงอธิบายให้ฟังค่ะคำถามถามเข้ามาว่าการที่ลูกมาขอมาหลอกธุรกิจของพ่อแม่ไปทำเองเนี่ยค่ะหลอกนะจ้าหลอกก็ผิดแล้วบาปแล้ว แตเจตนาคือแบบว่าไม่อยากให้พ่อแม่เหนื่อยอะไรเงี้ยจ้าค่ะไม่เป็นไรเจตนาไม่สําคัญเท่ากับพฤติกรรมเจ้ค่ะเจตนาการดีอยากให้เขาไม่ต้องกังวลกับเรื่องเงินก็บขโมยเงินเข้าไปใช้ให้หมดเลย <c oughs> มันดีมาไม่ดีอันลักทรัพย์ของผู้อืน่นอันนี้ก็เหมือนกันหลอกก็โกหกหลอกลวงลักทรัพย์ของผู้อื่นมาใช่ไหมไม่อย่าไปหลอกลวงพูดแล้วต้องพูดซื่อสัสตย์สุจริตต้องพูดความจริง ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะ okay. มีคำถามไหมหนู <laughs> ไม่มีนะ <Okay. S 1> ถามมีแล้วเข้ามาขาป ร, ร, ระจำกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขออนุญาตเรียนสอบถามค่ะเอ่อถ้าบุคคลที่เป็นพรหมแล้วค่ะเวลาที่ ตกลงมาจากพรมนี่คือเป็นมนุษย์อย่างเดียวหรือว่าไปเป็นสัตว์ไปเป็นเป็ดอสุรกายอ๋อไม่ไปอ๋อไปยัางตามสุ่ยก็เป็นมนุษย์แต่อาจจะผ่านเป็นเทพก่อนก็ได้แต่ จ, จะไม่ผ่านก็ได้เทพอาจจะไม่แวะก็ได้เพราะเขาไม่สนใจความสุขจากการเสพการเหมือนเทพเขาสนใจแต่การเข้าฌานยังไเขาก็จะต้องกลับมามีร่างกายเพื่อมาบวชมานั่งสมาธิใหม่ คนพวกนี้เมื่อเกิดมาเราจะไม่มีครอบครัวจะชอบไปอยู่วัดชอบปฏิบัติธรรมชอบอเป็นโสเช้าค่ะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าโยมเคยได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์อีกที่หนึ่งบอกว่าตกลงมาจากพรหมแล้วไปนรกเลยโยมก็เลยสงสัยว่าเป็นไปได้ยังไงไม่ได้ถ้าไปนรกต้องทําบาปด้วยแต่พรหมไม่ได้ทําบาปก็จะออไปได้ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วก็ไปท่าคนนี้ แล้วพอตายไปทีนี่ไปนรกได้อ๋อเจ้าค่ะต้องบาปตรงนี้มากกว่า บ, บุญไอ้ตอนมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ถ้าอาจจะมีบาปเก่าติดตัวอยู่แต่ยังมีบุญเก่าติดตัวอยู่เท่ากันมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีจะไปไปสวรรค์ชั้นพรหมก็ไปไม่ได้จะไปนรกก็ไปไม่ได้ต้องมาเป็นมนุษย์แทนเวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้แสดงว่าบุญกับบาปของที่อยู่ในใจเรามีกําลังเท่ากันดึงไปอบายไม่ได้ดึงไปสวรรค์ไม่ได้ ก็เไยต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วพอมาทำบุญหรือทำบาปเวลาตายทีที่จะไปได้ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญทีนี้ก็ไปอาบายได้ไปนรกได้แต่ถ้ายังไม่ทำ ถ, ถ, ถ, ถ้ายังทำบุญมากกว่าทำบาปก็กลับไปสวรรค์ต่อไปค่ะกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะ okay. เจ้าค่ะมีคำถามจากอินบ็อกซ์เจ้าค่ะถามเข้ามาว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ในการฟื้นฟูจิตใจของบุคคลรอบคาาจากเหตุการ์สะเทือนใจค่ะเหตุจากนักศึกษาของหนูจบชีวิตคนตนเองที่มหาวิทยาลัยเมื่อห้าวันก่อนทำให้สภาพจิตใจของอาจารย์และเพื่อนๆของนักศึกษาไม่ดี ปกตินักศึกษามีความเครียดกันเป็นทุนเดิมบ้างก็ว่าตนเป็นซึมเศร้าอยู่บ่อยครั้งจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผลกับจิตใจคนรอบข้างขอพระอาจารย์แนะนำหนทางแห่งการดับทุกทางใจนี้ด้วยเจ้าค่ะก็ต้องยอมรับความจริงว่าคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะตายด้วยวิธีใดก็ตามทั้งเขาทั้งเราถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะปลงได้ ไ ม, ไม่เครียดไม่ทุกข์เพราะเราทำอะไรไม่ได้ถ้ามีร่างกายแล้วก็ต้องตายช้าหรือเร็วท่าเนเองตายแบบไหนก็ไม่สำคัญแ ต, แต่สำคัญคือต้องตายเหมือนกันถ้าตายไม่ดีก็ไปไปอบายถ้าตายดีก็ไปสวรรค์ท่าเนเองที่ต่างกันนั้นปล่อยให้ร่างกายตายอย่าไปฆ่ามันฆ่าร่างกายนี้จะต้องไปนรกนะไปอบายถ้าไม่ได้ฆ่ามันแล้วมันตายของมันเองนี่ ก็ไม่ต้องไปอาบายไม่ต้องไปนรกคำถามจากทางย t ท b e ถามเข้ามาว่ากราบเรียนถามค่ะถ้าถือพระรัตนาตรัยเป็นสรณะเราควรไหว้รูปเคารพต่างๆไหมเจ้าคะเช่นพระพรมพระแม่ลักษมีสารเจ้าคือการไหว้เพื่อการแสดงความเคารพนี่เราไหว้ได้<ม>ไหว้พ่อไหว้แม่ไหวค้ครูอาจารย์เรายังไหว้ได้แต่ถ้าถ้าไหว้เพื่อ<ม>เพื่อขอ ให้เขาสอนเรานี้ไม่ได้เรามีเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอาจารย์ของเราถ้าเขาสอนเราก็สอนได้แต่ถ้าอย่าถ้าเขาขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เชื่อท่านหนึ่งแต่ถ้าคําสอนของเขายังเป็นคําสอนที่เหมือนกับพระพุทธเจ้าก็เชื่อได้เื่อค่ะพระอาจารย์คะอย่างเทวดานางฟ้านี้สามารถบรรลุธรรมได้ไหมเจ้าค่ะได้แต่ต้องมีคนไปสอนมีพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ไปสอน อย่างเช่นพุทธมารดาก็มีพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมโปรดได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาไดแต่ถ้าไม่มีคนสอนเขาก็จะเสดสุขอยู่ในสวรรค์แต่ถ้ามีคนรู้จักม า, ม า, ม, ามาทักทายมาเตือนว่าใหมา้มาปฏิบัติธรรมดีกว่าอย่างพระพุทธเจ้าไปชวนแม่ให้มาปฏิบัติธรรมสอนให้ทําจิตให้สงบแล้วก็สอนให้เจริญปัญญาพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราแม่ก็พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางร่างกายได้ นั่นก็บรรณเป็นพระโสดาบันได้ต้องเป็นเทวาดานางฟ้า ภ, าภูมิไหนชั้นไหนสอค่ะอันนี้ไม่รู้นะมันมีหกชั้นด้วยกันมีบางชั้นที่ไม่ได้รับไม่ได้รับรู้กั บ, <ม> ก, บ, ก, บกับผู้อื่นก็มีพระพุทธเจ้าก็ต้องแสดงธรรมอันนี้เราไม่แน่ใจแต่ผู้ที่มีพลังจิตเช่นพระพุทธเจ้านี้สามารถเข้าถึงได้เจค่ะกล่าพระุณเจค่ะ โอเคหมดได้ยังมีคำถามจาก inbox ค่ะพอสุดท้ายนะเพาเวลาเจค่ะขออนุญาตขอถามค่ะว่าถ้าตลอดที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำบาปมากแต่ยังมีทุกข์มากกว่าสุขเกิดจากอะไรคะหรือว่าจริงๆเราทำบาปแต่ไม่รู้ตัวเจ้าค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้น อันนั้นถ้ารายังมีความทุกขใจอยู่ก็พยายามทำบุญให้มากขึ้นให้บุญที่มีความสุขทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจเกิดขึ้นโอเคนะเหมอือนเดิมอีกอหนึ่งคำถามจ า, จากทาง youtube เราจะทราบได้อย่างไรว่าเรามีสีที่บริสุทธิ์แล้วก็เวลา<ม>เห็นของของคนอื่นเราอยากได้หรือเปล่าเอาเผยวาง<ม>ไว้วางโทรศัพท์ไว้ไม่มีใครมองเห็นเราจะไปหยิบหรือเปล่าถ้าเราไม่ไปหยิบก็แสดงว่าเรามีมีสี ถ้าเราห้ามใจไม่ได้อยากจะได้เราความรับใส่กระเป๋าเราอานี้ก็ไม่มีสีนสินจะต้องมีมอะไรมามาทดสอบใจถ้าอยู่เฉยๆเราไม่รู้ว่าเรามีศีนหรือเปล่าถ้าใครก็าถามว่าเราไปไปทําอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าถ้าเราโกโหกเขาก็แสดงว่าเราไม่มีสินแต่ถ้าเราสารภาพเออไปทํานู่นทํานี่มายอมสารภาพรับผิดอย่างนี้ก็แสดงว่าเรามีสีนต้องมีข้อต้องมีข้อสอบถึงจะรู้ว่าเรามีสีนหรือไม่มีสิน